วันนี้เป็นวันพระรหัสที่24สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้สัทธาญาณโยงพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมผู้มีจิต ฝ่ายการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจให้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาเร่งทำความเพียรมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการทำบุญทำทาน ด้วยการรักษาสิงด้วยการภาวนาพราะการเล่งการทําความเพียรในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนจะนําพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทรงตัดไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านั้น ถ้าปราะศะจากความเพียรความขยันทำมันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาทำมันเลิศอันประเสริฐนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการปฏิบัติมีการสร้างกันขึ้นมาไม่ใช่อยู่ดีๆ ทำมันกระเสริฐโลกนี้จะเกิดขึ้นได้โดยตนเองอเช่นถ้าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วจะทำให้ทำมันวิเศษนั้นเกิดขึ้นกับเรานี้ยังเป็นไปไม่ได้การที่จะทำให้ทามันวิเศษนี้เกิดขึ้นกับเราได้ ต้องเกิดจากการที่เราศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาเร่องเลี้ยแล้วได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราก็ต้องนำเอาไปกระทำส่งสอนให้เราทาทานเราก็ต้องทาทานกันส่งสอนให้เรารักษาศีลเราก็ต้องรักษาศีลกันส่งสอนให้เราภาวนา ทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเราก็ต้องทำเจริญสตินั่งสมาธิกันส่งสอนให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆ เ, เราก็ต้องมีการกระทำกันถ้าเราไม่มีการกระทำทำเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมา เมื่อไม่มีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีวันตามมาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจก็ยังจะต้องตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดไปเป็นการกระทาที่ไม่มีใครกระทาให้เราได้ องคองตันว่าเราต้องเป็นผู้กระทําเองอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ผู้ปฏิบัติผู้ที่จะศึกษานี้ต้องเป็นตัวเราเองถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติถึงแม้เราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง หรือเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เราไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราพุทธศาสนิกชน ัพระรัตนาตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกผู้ผู้บอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่พวกเราพวกเราต้องศึกษาต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนอันประเสริฐ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วถ้ายังมีความไม่เข้าใจก็กลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่มาศึกษาใหม่ศึกษาไปควบคู่กับการปฏิบัติไปแล้วใจของเราก็จะได้มีเครื่องมือที่จะมาคอยกําจัดเหตุของของความทุกข์ของใจ ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนความทุกข์ของพวกเรานี i ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เท่านั้นที่อจะเป็นผู้สร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเรากิกเลสตัณหานี้เป็นเหมือนไฟ เวลาที่มันทำงานนี่มันจะทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราเกัาวงวลกงวายก็สยบก็สายกินไม่ได้นอนไม่หลับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนน้ำดับไฟถ้าเรามีความทุกข์ใจร้อนใจสิ่งที่จะดับความทุกข์ใจร้อนใจได้นี้ต้องเป็นน้ำแห่งธรรม น้ำอย่างน้ำชนิดอื่นนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้แต่กลับจะทำให้ทุกข์ใจมีเพิ่มขึ้นไปอีกร้อนขึ้นไปอีกเ mm hmm. ช่นน้ำของสุรายามเมา mm hmm. น้ำน้ำเหล้าน้ำเบียร์ต่างๆเ mm hmm. วลาไม่สบายใจ mm hmm. คิดว่าเดือบเบียร์เดือบเหล้าแล้วจะทำให้ใจสบายใจ mm hmm. ความจริงมันก็เป็นเหมือนกับ เทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเทน้ำมันลงไปใหม่ๆในกองไฟไฟที่กำลังลุกอยู่มันจะทำท่าจะดับลงเพราะตอนที่เทน้ำมันลงไปในกองไฟใหม่ๆน้ำมันยังไม่ร้อนมันก็เลยยังเป็นเหมือนน้ำาะมันก็จะทำให้ไฟทำท่าจะดับลงไปแต่พอ ให้เวลาสักระยะหนึ่งพอน้ำมันที่ที่เย็นน้ำมันเริ่มร้อยขึ้นมามันก็จะทำให้ไฟประทุขึ้นมายิ่งใหญ่กว่าเดิมซินี่แหละคือลักษณะของการใช้ใช้ของที่ไม่ถูกต่อการดับเพลิงของใจเช่นการดื่มสลรายามเมาการไปหาความสุข จากการเล่นการพนันจากการเที่ยวกลางคืนการกระทำเหล่านี้มันไม่ได้มาดับความทุกข์ให้กับเราอย่างถาวรมันดับแป๊บเดียวช่วงขณะที่เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันมันก็ทำให้รู้สึกสบายใจแต่พอเรากลับมาความสบายใจนั้นหายไปความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่มันก็กลับมา เจะกลับมาแรงกว่าเก่าขึ้นมาซิเหมือนกับเทน้ำมันลงไปในกองไฟเทใหม่ๆ ม, มันก็รู้สึกจะดับแต่พอสักพักหนึ่งพอน้ำมันที่เทลงไปมันเริ่มร้อนขึ้นมามันก็จะเริ่มพะทุ้ขึ้นมาเป็นกองไฟขึ้นมาใหญ่กว่ากองไฟเดิมเสอไนี่คือลักษณะของการใช้สิ่งที่ไม่เป็น เป็นการกำจัดความทุกข์ของใจก็คือการใช้โลกธรรมทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพเพราะมันเป็นของที่ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้มันดับได้เพียงชั่วครา ว, แ ล, วแล้วพอมันหมดไปความทุก ที่ดับนั้นก็จะประทุ ก, กับขึ้นมาใหม่แรงกว่าความทุกข์เก่าที่ก่อนที่จะใช้ลาบยศสำลเสริญสุขมาดับมันวิธีที่จะดับไฟดับความทุกข์ใจไฟที่มาทําให้ใจเราทุกนี้เราต้องใช้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามา ศึกษาได้มาปฏิบัติกันมาเล่งความเพียรกันต้องมีเวลาการปฏิบัติการศึกษาธรรมนี้ก็เหมือนกับไปโรงเรียนถ้าเราอยากจะเรียนจบปริญญาเราก็ต้องไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่องถึงอย่างน้อยก็สิบหกปีด้วยกันถึงจะได้ปริญญาไปนับตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นไป ป .1 ถึงป .6 ก็หกปีต่อได้ม .1 ถึงม .6 ก็อีกหกปีก็สิบสองปีหลังจากนั้นก็ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยอีกสี่ปีถึงจะได้บริญญาตรีมาไม่ใช่เป็นของที่จะได้มาอย่างง่ายๆไม่ใช่พอเข้าป .1 ปั๊บพอจบป .1 ก็จะได้รับปริญญาตรีเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ฉันใดการประพฤติการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุปริญญาทางศาสนาคือบรรลุพระอริยญญบุคคลอันดับต่างๆพระโสดาบันพระสกิดาคาพระอนาคาคาพาาระอรหันต์นี้ก็เป็นเหมือนปริญญาระดับต่างๆของทางโลกทางโลกมีปริญญาตรีโทเอกทางธรรมก็มีปริญญา ที่เรียกว่าอาริยบุคคลเป็นโสดาบันเป็นสกิดาคามีเป็นอนาคามีเป็นพาาระอรหันต์การที่จะบรรลุธรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเริ่ต้นก็ต้องเปลี่ยนเพศให้ได้ก่อนจากการเป็นฆราวาสไปสู่การเป็นนักบวช จะบวชแบบทั้งกายทั้งใจก็ได้หรือบวชแต่เฉพาะใจอย่างเดียวก็ได้บวชทั้งกายทั้งใจก็คือการไปเป็นพระภิกษุหรือไปเป็นแม่ชีอันนี้บวชทั้งกายทั้งใจถ้าบวชทั้งกายไม่ได้บวชท้งใจก็ถือเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปเป็นผู้คองเรือนแต่ มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเหมือนกับการที่ได้ไปเป็นภิกษุหรือเป็นแม่ชีต้องเป็นนักบวชทางใจต้องสามารถปฏิบัติทำท่านศีลสมาธิปัญญาใ ห, ให้ได้ศีลก็ต้องเป็นศีลระดับศีลของนักบวช โดยตั้งแต่ศิลแปดขึ้นไปแล้วก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน<ม>เช่นวันนี้<ม>เราก็มาเป็นนักบวช ท, ทางใจกันได้หนึ่งวัน<ม>ทางกายเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพศเราก็ยังนุ่ ง, งขาวนุ่งดำห่งขาวอยู่นุ่งขาวห่งขาว แล้วก็มาถือศีลแปลกันแล้วเราก็ทั้งวันนี้เราจะเอาเวลานี้มาให้กับการเจริญจิตตภาวนาดูเบื้องต้นเราก็มาเจริญส ม, มถาภาวนาต่อส ม, มถาภาวนานี้ก็คือการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้คอย ควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดให้ลดความคิดให้น้อยลงจนหยุดความคิดได้หนที่สุดการที่จะทำให้ความคิดนี้หยุดได้นี่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเพราะความคิดนี้ทำงานตลอดเวลาพอเราลืมตาขึ้นมานี้เราก็เริ่มคิดกันนะ้ะ คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดว่าจะไปทำอะไรบ้างจะไปไปหาใครไปคบกับใครมันจะคิดอยู่่าร้อยแปดพันประการถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบเป็นสมาธิขึ้นมาให้รับสัมผัสให้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นการปฏิบัติ ขั้นขั้นที่หนึ่งของการระงับดับความทุกข์ของใจเราต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าใจหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือ ขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นแรกในาการที่เราจะสามารถมาเจริญสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องมีศีลเป็นผู้คอยประครับประคองศีลนี้ก็จะมาคอยห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นการธรรมดา เมื่อที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ใจเช่นการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสพชนิดต่างๆที่เรียกว่าการมาสุขเราก็ต้องไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าเช่นศีลข้อศีลข้อสามถ้าเรารักษาสีนห้านีีนข้อสามยังอนุญาตให้เราไป หาความสุขจากการนวดหลับนอนกับคู่ครองของเราได้อยู่แต่ห้ามไม่ให้เราไปหลับนอนกับบุคคลอื่นหลับนอนได้กเพียงกับคู่ครองของเราเท่านั้น<ม>เพราะการหลับการไปติดการร่วมหลับนอนกับคนหลายๆคนนี่มันเป็นการสร้างความสร้างปัญหาความอยากให้มีมากขึ้น แล้วยิ่งมีตัญหามากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเกิดจะเกิดความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเรายังต้องมีหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันก็ขอให้มันอยู่ในกรอบของความพอดีของความเป็นมนุษย์มนุษย์เรานี้ก็รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรออะไรเป็นคุณเนื้ออะไรเป็นโทษ อะไรที่มันทำเลยขอบเขตมันแทนที่จะเป็นคุณมันก็จะกลายเป็นโทษได้ mm. แต่ถ้าเราทำในขอบในเขตมันก็จะเป็นคุณมันก็จะให้ความสุขกับเรา mm. ในระดับของผู้คองเรือนได้ mm. สิ่ข้อสามนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถือสินของนักบวชคือสินแป mm. ก็จะถือข้อกาเมกาเมสุมิชฌาจาราวีรมณี ลวเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีประเพณีก็คือประเพณีของมนุษย์ถ้าเราจะถือถ้าเราจะเป็นมนุษย์นี้เราต้องมีคู่ครองคนเดียวรักเดียวใจเดียว<ม>เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันเป็นผู้ที่จะได้พึ่งพาอาศัยกันดูแลกันสร้างครอบครัวกันขึ้นมามให้เป็นตุกแผ่น ไม่ใช่อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะไม่ได้มีคู่เดียวไม่มีผัวเดียวเมียเดียว<ม>เขาจะมีหลายผัวหลายเมียกันแล้วแต่เขาจะมีอารมณ์ที่อยากจะร่วมเพศเมื่อไหร่เขาเจอใครเขาก็จะร่วมเพศไปแล้วลูกที่ปอดที่คลอดออกมาเขาก็จะไม่ดูแลกัน ปล่อยให้มันอยู่ตามบุญตามกรรมไปเลี้ยงมันพอให้มันอดนมได้แล้วหากินของมันเองได้แล้วก็ปล่อยให้มันหากินไปแต่มนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่กันร่วมกันเราถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์นี้เป็นมนุษย์สังคมต้องมีสังคม สังคมก็คือบ้านครอบครัวเราอยู่คนเดียวมันก็เราก็ไม่มีความสุขพออยู่คนเดียวก็เหงากันก็ต้องมีคู่กองมาแก้เหงามาให้ความสุขกันแล้วก็มาช่วยเหลือกันมาดูแลกันเพราะว่าร่างกายของเราบางครั้งอาจจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา คนนึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีคนหนึ่งมาช่วยดูแลกันไปแล้วพอมีครอบครัวมีลูกก็เลี้ยงลูกลูกพอโตขึ้นมาก็จะมาช่วยกันช่วยกันช่วยทํางานการงานต่างๆในครอบครัวช่วยกันดูแลกันไปสังคมก็อยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขผาสุขแต่ถ้าไม่มีศีลข้อนี้ สังคมก็ยจะอยู่กันแบบสัตว์เดรัจฉานแย่งผัวแย่งเมียกันทุบตีกันอะไรกันต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นประเพณีของมนุษย์นั่นเองอสิ่งข้าวสารนี้ให้ให้เราเป็นมนุษย์ด้วยการร่วมเพศกับผู้ที่เป็นคู่คร อ, องของเราเท่านั้นเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเรา เราจะไม่ไปร่วมเพศกับบุคคลอื่นเพราะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาร้อยแปดพันประการตามมาบ้านแตกสหลายขาดบ้านที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพึ่งพาสายกันก็จะแตกสลายไปถ้ามีการประพฤติผิดประเพณีขึ้นมา <c oughs> นี่คือศินข้อสามของผู้ที่ยังต้องอยังต้องอยังต้องเสพความสุข ่างตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ให้ถือสินข้อสามนี้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะระงรับดับความทุกข์ทางใจที่อยากจะเป็นนักบวชเนี่ยประเพณีของนักบวชก็คือไม่มีการร่วมเพศกันสินข้อสามก็จะเปลี่ยนเป็นอาภารมจริยาเวระมณี อ布หมจริยาก็แปลว่าการอยู่แบบพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็อยู่แบบพรหมพรหมก็คือผู้ที่ได้รูปปัจจานารูปปัจจานผู้ที่เสดความสุขจากความสงบของรูปปัจจานและอารม ป, ปรัจจานอ布拉มจริรยราเลระมณีคื อ, อยาละเว้นจากการประพฤติที่ไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์ อย่าประพูตแต่การประพุตของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือเสพความสุขจากรจากรูปประชาณและอารูปประชาณแทนที่จะไปเสพความสุขด้วยการร่วมเพศกับกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้<ม>ก็เปลี่ยนมาเสพความสุขด้วยการเข้าสมาธิเข้ารูปประชาณเข้าอารูปประชาณ นี่คือสีนความหมายของสีนข้อข้อสมในศีลแปก็คือถือถือพรหมจรรันทร์พรหมจันท ร, ร์ก็ถือถือวิชีมที่พรหมเขาใช้กันพรหมจันท ร, ร์นี้ก็คือพรหมถ้าพรหมนี่ใช้การหารูปฌานอรูปฌานเป็นการให้ความสุขเพราะความสุขจากรูปฌานหรืออรูปฌานที่เราเรียกว่าสมาธิใน ระดับต่างๆนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมเพศจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์นี่ต้องละการเสพการให้ได้เพราะการเสพการนี่แหละเป็นต้นเหตุที่นําไปสู่ความทุกข์เพราะรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะที่เสพกันนั้น มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่แน่นอนบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีเช่นแฟนนี่บางทีอยู่มีแฟนอยู่กับแฟนก็มีความสุขมันดีคือดีแฟนจากไปไว้ให้เราอยู่คนเดียวเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความสุขจากจากรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเหนาททำให้เราเศร้า เวลาที่เราขาดมันไปเวลาที่มันจากเราไปแต่ความสุขที่ได้จากการเสพรูปประชาณรูปประชา น, ปปชานี้มันจะอยู่กับเราไปเวลามันเสื่อมเราก็สามารถที่จะทำให้มันขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายได้เพราะเราชำนาญเวลาใจเราไม่สงบเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ใช้สติ ระงับค ว, ว, วามคิดปรุงแต่งแทนที่เราจะเวลาที่เราไม่มีความสุขแทนที่เราจะไปหาความสุขอย่างลูกสินทรนัดเราก็มาหาความสุขจากการเข้าสมาธิกัน<ฮ>าการที่เราจะเข้าสมาธิได้เราก็ต้องมีสติมีกําลังที่จะระงับค ว, วามความคิดต่างๆได้ <c oughs> และการที่เราจะมีสติที่จะระงับค ว, วามคิดต่างๆได้ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องมีเวลา ให้กับการเจริญสติเราก็ต้องเอาเวลาที่เราไปใช้ <c oughs> กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เอามาใช้กับการเจริญสติเราก็เลยต้องใช้ศีลแปดมาช่วยระงับ <c oughs> <c oughs> กิจกรรมที่เราใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเช่นศีลข้อข้อหก สินข้อสามเราก็เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอบรเมจาริยาไม่ร่วมหลับนอนกับใครหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทน <S S S S แล้วสิลข้อหกก็คือไม่กินอาหารมากเกินกว่าความจําเป็นความต้องการของร่างกายซึ่งร่างกายนี้ให้กินมันละครั้งก็อยู่ได้แล้วถ้าจะกินสองครั้งก็ไม่ ให้เกินกินเกินกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าการกินมากๆก็เป็นการเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของของอาหารทําให้ติดอาหารทําให้กินมากเกินไปแล้วจะทําให้ร่างกายนี้มีน้ําหนักเกินแล้วเมื่อมีน้ําหนักเกินร่างกายก็จะมีโรคไัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโรคเบาหวานโรคความดัน โรคไขมันอุดตันโลกหั ว, หวใจเนีย่ยมันมามันตามมาจากการที่เรารับประทานอาหารแบบเกินขอบเขตรับประทานแบบไม่รู้จักประมาณความพอดีของของของร่างกายความพอดีความต้องการของร่างกายนี้กินเพื่อดับความหิวก็พอเดี็ดดับความหิวครั้งเดียวก็อยู่ได้ถึงวันรุ่งขึ้นแล้ว แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปมันก็จะทำให้เราเกิดความเกลียดค้านเกิดความง่วงเหงาหานอนเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิก็จะทำไม่ได้เพราะจะขี้เกียจจะไม่อยากทำกินอิ่มอิมแล้วหนังท้องตึงหนังตาย่อนม่วงนอนแทนที่จะไปเดินจงกรมเรื่องสมาธิก็ไปนอนเสียนอน เสียเวลาไปหลายชั่วโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้าไม่ได้ถือศีแลแต่หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จตื่นขึ้นมาก็บ่ายเย็นก็กินข้าวเย็นต่ออีกกินข้าวเย็นเสร็จเดี๋ยวก็ง่วงอีกเอาเวลาที่จะมาใช้กับการทําใจสงบนี้ทําไม่ได้แต่ถ้าเอาไปเที่ยวนี้ไม่ง่วงถ้าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่งางๆนี้จะไม่ง่วง ถ้าไปดูไปฟังดูภา พ, พยนตร์ uh huh. ไปฟังเพลงไปร้องราทำเพลงนี่จะไม่เกิดอาการง่วงขึ้นมา uh huh. จะมีกำลังวังชาขึ้นมาอย่างมหัสัรย์ uh huh. เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่กิเลส ช, ชอบ uh huh. พอกิเลสได้ทำในสิ่งที่มันชอบนี่มันจะเกิดความ uh huh. กระตือรือร้นขึ้นมา uh huh. ชวนให้ไปเที่ยวนี่ไม่ต้องไม่ต้องชวนซ้ำ uh huh. ชวนให้มาวัดนี้อาจจะต้องชวนหลายครั้งกว่าจะมาได้เพรมาวัดเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทําไม่มีอะไรมากระตุ้นกิเลสมีแต่ให้นั่งเฉยๆให้มาฟังเทศฟังธรร ม, มให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ไหว้พระสวดมนต์อันนี้เป็นกิจกรรมที่กิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันไม่ชอบความสงบกิเลสมันชอบความกระทึกคึกโครอง อะไรที่มีกระทึกกระทึกทุงขมเล่าใจเนี่ยมันชอบของที่เล่าใจมันแล้วมันจะทำให้มันรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานแต่มันก็เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหยุดพอไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใจมีการาตื่นเต้นมีการสนุกสนาน ใจมันก็จะเริ่มเข้าสู่ความเศร้าสู่ความเหงาทันทีอันนี้คือปัญหาถ้าเราไปเสพกลางเสพกลางนี่มันจะทําให้เวลาที่เราไม่ได้เสพมันจะทําให้เราเศร้าทําให้เราเหงาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเสพได้ตลอดเวลาเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินไปเที่ยวไปกินไปเดื่มได้ตลอดเวลา แต่ร่างกายของเรานี่มันก็ต้องมีขอบเขตของมันตอนที่มันเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันก็ทำได้เต็มที่แต่คนเรามันไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเพราะนั้นมันไม่ได้แข็งแรงไปตลอดเดี๋ยววันดีเกิน ด, ดีมันก็อาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ได้บางครั้งก็อาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่หนักเป็นสั้ระยะสั้นๆแล้วก็หาย บางครั้งก็ไปเจอแบบหนักที่ต้องมีการผ่าตัดขึ้นมาก็มีช่วงเวลานั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระชนิดต่างๆได้เวลานั้นก็จะเป็นช่วงเศร้าช่วงเหนาช่วงไม่สบายใจ ว, ว้าเหวอันนี้แหละเป็นผลที่จะตามมา สำหรับผู้ที่ใช้รูปเสียงกลิ่นลดปวดสะพ้ามามาดับความทุกข์ใจมันดับได้ชั่วคราวมันไม่ดับได้อย่างถาวรเหมือนกับเทน้ํามันลงไปในกองไฟเวลาเทลงไปใหม่ๆก็เหมือนเทน้ําลงไปในกองไฟกองไฟมันที่ลุกอยู่มันก็จะทําท่าจะดับลงไปแต่พอน้ํามันที่เทลงไปมันร้อนขึ้นมาไฟก็จะปะทุ ข, ขึ้นมาใหม่ อันนี้ก็แบบเดียวกันเวลาเรามีความทุกข์ใจเราไปหาปลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพมามาดับพอเราได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสความทุกข์ใจที่เรามีอยู่ก็หายไปเราก็มีแต่ความสนุกสนานความเพลิดเพลินอยู่กับการเสพลูกเสียงกลิ่นรสไปจนกว่าเราจะหยุดพอเราหยุดเสพเราไม่ได้เสพเมื่อไหร่ ความทุกข์ใจที่มีอยู่มันก็จะปะทุขึ้นมาใหม่และจะรุนแรงกว่าเก่า น, นี่คือการดับความทุกข์ด้วยการใช้รูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ได้เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การห ล, าหลุดพ้นจากความทุกข์อย่าง้าวลอยเราต้องใช้การดับความทุกข์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเท่านั้นเพราะเป็นวิธีที่พระเจ้าได้ทรง ปฏิบัติมาแล้วได้ทรงพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีการดับความทุกข์่างแท้จริงหมือนี้กับนักดับเพลิงนี่เขาได้พิสูจน์แล้ววิธีจะดับไฟถ้าเป็นไฟธรรมดาก็ใช้น้ำน้ำนี่แหละจะเป็นตัวที่ดับไฟได้ไม่ใช่ใช้น้ามันเขาจะไม่ใช้น้ามันฉีดก็ไปในกองไฟกันแต่เ็าจะใช้น้ำ โดยถ้าเป็นไฟที่เป็นไฟพิเศษที่เกิดจากสารเคมีเขาก็ต้อง ม, มีมีสารเคมีที่มาต้านไฟเหล่านี้พวกนี้เขาได้พิสูจน์กันมาแล้วเขารู้แล้วว่าจะต้องใช้น้ําดับไฟชนิดไหนพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายก็แบบเดียวกันท่านก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วว่าน้ําที่จะเอามาดับไฟของใจ ความทุกข์ใจร้อนใจความไม่สบายใจต่างๆนี้ต้องใช้น้าแห่งธรรมหรืน้าแห่งน้าแห่งศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถดับไฟของใจได้ดับความทุกข์ใจได้ถ้าใช้ใช้น้ำของกามน้าของรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พ้านี้มันก็เหมือนกับใช้น้ามันมาม า, มาดับไฟ เวลาฉีดเข้าไปใหม่ๆไฟก็ทำท่าจะดับแต่พอไฟพอน้ำมันมันร้อนขึ้นมาทีนี้มันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอันนี้ก็เหมือนกันการเสพการนี่มันจะเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้ไฟแห่งความทุกข์ใจนี้ร้อนร้อนยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าพระพุทเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วจึงละการเสพการทรงออกบวช ก็รู้ว่าการใช้การเสพการนี้มันไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางเดียวก็คือต้องไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาถึงจะสามารถมาดับความทุกข์ของใจได้องค์ก็เลยต้องไปไปบวชไปถือศีล น, นักบวชกันศีลแปดขึ้นไปพวกเราก็ ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปเหมือนกันอย่างวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราแยกอาวันนี้ออกมาเป็นกรณีพิเศษเคยทำงานทำการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางร่างกาย่อผลประโยชน์ทางเงินทองอะไ ร, ะไรต่างวันนี้เราจะพักไว้หนึ่งวันหยุดการหาเงินหาทองแล้วมาหาสติแทน ตามคำสอนของคนฉลาดของพระคือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านตัดไว้ว่าคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตางสตางนี้ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวสตินี้จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดวันพระขึ้นมาถ้าไม่กำหนดพวกเราก็จะไม่เห็นความสำคัญ ของการที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเราก็คิดว่าเราก็ทำไปควบกู้กับการทำงานก็ได้<ม>เช่นไปทำงานกลับมาค่อยมานั่งสมาธิก่อนนอนนั่งได้สักห้านาทีส0นาทีอันนี้มันไม่พอหรอกถ้าเป็นฝนก็เป็นฝนน้ำสองสามหยดเท่านั้นเองมันไม่พอที่จะมาทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวกระจีขึ้นมาได้ ต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆมันจะเขียวกระจีงอกงามจเจริญติตโตได้มันต้องมีฝนตกแบบแรงๆน้ำเยอะๆชุ่มเปียกไปทั่วแผ่นดินมันถึงจะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนั้นจเจริญงอกงามขึ้นมาได้การปฏิบัติธรรมเพื่อดับความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติแบบน้ำค้างหรือน้ำน้ฝนที่ปล่อยลงมาเล็กน้อยนี่มันดับความ ดับไฟในใจไม่ได้มันต้องเป็นฝนหาใหญ่ฝนหนักฝ น, นระดับพายุถ้าได้ฝนระดับพายุแล้วเนี่ยไฟป่าไฟอะไรนี่ที่ยุกอยู่นี่มันจะถูกไฟถูกน้ำฝนของพายุนี่ดับไปให้หมดเลยเช่นเดียวกับน้ำแห่งธรรมน้ำแห่งธรรมก็ต้องมาเป็น เป็นกำจำนวนมากๆ ม, มันถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้การที่จะสร้างทาน้ำแห่งธรรมให้เป็นมีจำนวนมากๆเรา ก, ก็ต้องมีเวลาเช่นต้องทําทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สร้างสร้างธรรมะกันขึ้นมาจึงจําเป็นที่จะต้องมีวันพระกันมีวันหยุด หยุดการไปหาการามาดับดับความทุกข์ใจเปลี่ยนวิธีการหาหาธรรมะมาดับความทุกข์ใจคจริงเราไม่ควรที่จะไปหาการามมาดับความทุกข์ใจเลยตอนที่เราทํางานนี้เป้าหมายหลักควรจะเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงทองมากกว่าคือเราต้องทำมาหากินเลี้ยงร่างกายของเราเพราะถ้าร่างกายของเราขาดปัจจัยสี่ ร่างกายของเราก็จะไม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายและอาจจะเกิดโครคภัยไข้เจ็ บ, mm hmm. บดเดียดเบียนและอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ถ้าปัจจัยสี่ไม่พอเพียง mm hmm. ที่เราไปทํามาหากินเรงการนี้คนจะทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้ทําเพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาซื้อรูกเสียงก ล, ลิก่นรสนุชชนิดต่างๆมาเสพมาดับความทุกข์ใจของเรา อันนี้แทนที่จะดับความทุกข์ใจกับไปไปเพิ่มความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นเองเพราะเหมือนกับการไปราดน้ํามันลงไปในกองไฟนั่นเอง ก, การทำอาหารกินเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาให้มันมากเกินกว่าที่ร่างกายของเราต้องการบางทีถ้าเราทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆนี่เรา จ, จะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ บางคนทำแค่วันสองวันก็พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ทั้งทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนเราสามารถทำอาชีพอิสระกันได้รับจ้างชั่วคราวหรือขายของอะไรต่างๆตามตามที่เราสามารถเลือกเวลาได้คือเป็นอาชีพอิสระไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างที่จะต้องมีเวลาประจาต้องทำห้าวันถึงหกวันต่ออาทิตย์ เรามาเลือกหางานทําที่เราสามารถกําหนดเวลาที่เราต้องการจะทาได้เพราะเราสามารถกําหนดเงินที่เราต้องมีได้ถ้าเราหาเงินเพื่อเลี้ยงป่ากเลีงทองนี้มันไม่มากเหมือนกับการที่เราหาเงินเพื่อมาเลี้ยงกรมมาเลี้ยงพลกเสียงกิ่นลดผลตภะเงินส่วนใหญ่นี้จะหมดไปกับการใช้ในการเสพกรรม ได้เงินมาพอเหลือจากหักออกจากการเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีเหลือเท่าไหร่ก็ไปใช้กับการเสพกามทั้งหมดไปเที่ยวไปกินไปเดินไปซื้อของอะไรต่างๆเห็นอะไรสวยเห็นอะไรงามเห็นอะไรถูกใจก็ซื้อมาขอพวกนี้มันไม่มาดับความทุกข์ใจให้กับเราได้ดังนั้นถ้าจะต้องทำงานก็ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วเราก็ ถ้าเราอยากจะทําให้น้อยก็ใช้ให้น้อยถ้าเราใช้แบบประหยัดใช้แบบมากน้อยสันโดษในปัจจัยสีน่นี่เราจะไม่ต้องใช้เงินมากเลยยิ่งถ้าเรามาถือสินแต่ได้กินข้าวมื้อเดียวได้ยิ่งประหยัดประหยัดอาหารมื้อหนึ่งน ม, มันจะตกมาละทักทระไรกันถ้ากินแบบชาวบ้านชาวบ้านซื้ออาหารที่เขาขายในตลาด เพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องมาเสียเวลากับการหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาไปจับ<ม>ไปจับจ่ายซื้อกับข้าวซื้อผักซื้ออะไรมาทำสมัมนี้มีคนเข้าทำขาย<ม>เราไปนั่งกินแค่สิบนาทีย0สิบนาทีก็อิ่มแล้วสั่งอาหารจานสองจานมากินก็พอละ<ม>ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินี้เราต้องใช้หลัก ของความมักน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารก็กินแค่พออยู่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอไม่ไม่ให้มันหิวไม่ให้มันตายก็พออย่าไปกินเพื่อให้มันเกิดความสุขจากการกินมันจะต้องกินมากแล้วมันจะมาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติต่อไปมักน้อยสันโดษในการรับประทานอาหารในการใช้เสื้อผ้า ถ้าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็มีไม่กี่ชุดก็พอแบ่งไว้สําหรับชุดทํางานสักสองสามชุดแล้วก็มาให้อยู่กับการปฏิบัติสักสองสามชุดก็พอที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยที่หลบแดดหลบฝนได้หลบภัยอันตรายต่างๆได้ไม่ต้องเป็นข้ า, ารารราคาเป็นล้านอยู่ที่ไม่มีเงินไม่มีเงินสร้างบ้านซื้อบ้านหนึ่งของตัวเองก็เช่าเขาอยู่ก็ได้ อาณาญีนี้ก็มีที่อยู่อาศาัยที่เขาสร้างอย่างสุขอย่างสบายอยู่ให้เช่าอยู่เดือนละไม่กี่ตังค์ถ้าเราอยากจะเป็นนักบวชทางใจแต่ยังบวชทางกายไม่ได้เราเราก็เนี่ยอยู่แบบมากน้อยสันโดษทำงานให้น้อยเพื่อเราจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะการที่จะทำให้ ใจสงบดับความทุกข์ของใจได้นี่มันต้องมีเวลาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญามีเวลามากเท่าไหร่ธรรมะที่เราต้องการมันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นธรรมะก็คือน้ำดับไปน้ำดับความทุกข์ใจเมื่อมีน้ำดับความทุกข์ใจมากความทุกข์ใจก็จะลดน้อยลงไปจนในที่สุดความทุกข์ใจมันก็จะหมดสิ้นไปได้เลยฉะั้นถ้าเรา อยากจะไปทางนี้เราต้องลดการหาเงินหาทองเพิ่มเวลาหาสติลดการหาสตางค์ลงไปแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับการหาสติให้มากขึ้นเพราะสตินี่แหละจะทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบใจแล้วก็สตินี่แหละจะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจได้คิดได้เห็นสัจธรรมความจริงได้เห็นอรยิยสัจสีได้เห็นตายักได้ ถ้ามีสติสติจะคอยควบคุมความคิดให้คิดไปในทางความเป็นจริงในในทางของไตรลักษณ์ในทางของอริยสัจสี่ mm hmm. เมื่อใจเห็นอะไรหายเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ mm hmm. ก็จะเห็นทางสู่การดับทุกอย่างอย่างชัดเจน mm hmm. ก็จะไม่หลงทางก็จะสามารถเดินไปสู่การดับทุกได้อย่างถาวร mm hmm. ถ้าเราอยากจะเป็นนักปฏิบัติ เรายังบวชไม่ได้แล้วก็บวชทางทางใจไปก่อนลดภารกิจการทำงานทำการให้น้อยลงก็ลองคานวณดูว่าวันหนึ่งเราต้องกินต้องเสือค่าใช้ใจ่ายวันละเท่าไหร่ค่ากินนึงทักกี่ตังค์เสื้อผ้าของเก่าที่เรามีอยู่ก็เหลือเฟือม่อยู่เยอะแยะไปก็มีค่าใช้ใจ่ายอยที่ค่าเช่าบ้านหรือค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารของแต่ละวัน ยารักษาโรค ก, ก็ไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมีไว้มันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะใช้แล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลรัฐของรัฐบาลก็ได้ก็รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันถ้าไม่หายก็ไม่หายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนจะโรงพยาบาลเอ ก, กชนหรือโรงพยาบาลของรัฐมันก็มีคนที่ไปรักษาแล้วหายหรือไม่หายเหมือนกันมีคนที่ไปรักษาแล้วตายเหมือนกัน มันไม่ได้หมายความว่าถ้าจะใช้โรงพยาบาลของรัฐแล้วจะตายอย่างเดียวจะไม่หายไป ใ, ใช้โรงพยาบาลของเอ ก, กชนแล้วจะหายจะไม่ตายอันนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือถ้าจะตายมันก็ตายได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชนถ้าจะหายมันก็หายได้เหมือนกัน แล้วเราอย่าไปกังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องความเป็นความตายมากเกินเกนไปดูแลไปตามมัตภาพพอๆดูแลไตามกําลังของเราเพราะว่าดอให้เราดูแลดีอย่างไงใช้เงินใช้ทางทุ่มเทให้กับมันมากน้อยเท่าไรถึงเวลามันจะตายมันก็ตายอยู่ดีไม่ใช่ว่าคนรวยเป็นคนดูแล้วจะไม่ตายเพราะมีเงินคอยรักษาพยาบาลให้ร่างกายอยู่ไปได้ตลอด รวยขนาดไหนมันก็ถึงเวลาเงินทองที่มีมากม า, กายก่ายกองก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายไม่มีใครมาช่วยได้เห็นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องการรักษาพยาบาลมากเกินไปรักษาโรงพยาบาลของรัฐบาล น, นีล่ราคาพอสมควรราคาชาวบ้านกินก็กินแบบชาวบ้านอยู่ก็อยู่แบบชาวบ้าน ค่าใช้ใจ่ายมันก็จะไม่มากเมื่อค่าใช้ใจ่ายไม่มากความจําเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาก็ไม่มากก็จะทําให้เรามีเวลาอาทิตย์ น, นึงเราจะทําแค่วันสองวันก็พอแล้วเราก็จะมีเวลาว่างอีกข้าห้าวันมาให้กับการปฏิบัติของเราเราก็ไปหาที่สงบไปอยู่ตามวัดต่างๆที่มีมีสถานที่สงบสงบัดมิเวก มีครูมีอาจารย์ที่คอยสอนคอยบอกวิธีการปฏิบัติให้กับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่ได้มาจากความปรารถนาเพียงอย่างเดียวความปรารถนาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าตัวอย่างของพระอาจรย์ทศสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้เกิดมาเป็นพระกันท่านไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นนักบวชกันเอามาจากท้องแม่ก็ก็เป็นปุตุชนธรรมดาสามัญเหมือนกันเวลาโตขึนนน้นมาก็ไปเรียนหนังสือไปทําอะไรเหมือนกันทั่วไป แต่พอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องของความทุกข์แล้วเห็นว่าความทุกข์นี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตใจเลยอยากจะกาจัดมันก็ต้องศึกษาแนวทางพอศึกษาก็จะได้ได้เห็นแนวทางของการหยุดท้นจากความทุกข์ว่าต้องทำอย่างไรด้วยการดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ดีด้วยการปฏิบัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี ท่านก็เป็นผู้คลองเรือนมาก่อนในเรื่องต้นก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็บวชทางทางใจไปก่อนเช่นในวันพระแทนที่จะวันพระไปเที่ยวไปกินไปดื่มแทนเอาความสุขจากการเสด็กลา ม, รรมท่านก็ไปอยู่วัดกันถ้ามีมีเงินทองเหลือก็ทำบุญทำทานใส่บาตรไปช่วยวัดจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆไป ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไ ม, ไม่ไม่ต้องทําก็ได้ไม่มีใครบังคับอยากจะทําบุญทําอย่างอื่นให้กับวัดที่เราไปอยู่ก็ได้เช่นช่วยล้างห้องน้ําก็ได้ช่วยกวาดช่วยถูช่วยเช็ดช่วยล้างชามช่วยทําอะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าได้ทําบุญเหมือนกันแล้วเมื่อเราเสร็จภารกิจเหล่านี้เราก็จะได้มีเวลาไปให้กับการเจริญสติคอยควบคุมความคิดค อ, อยหยุดความคิดเพราะถ้าไม่มีสตินี้ความคิดมันจะไม่หยุดคิดเนีย สังเกตดูเนี่ยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงบัดนี้เราหยุดความคิดได้หรือยังมันก็คิดของมันอยู่เรื่อยๆมันเห็นอะไรมันก็คิดถึงเรื่องที่มันเห็นได้ยินอะไรมันก็คิดถึงเรื่องที่มันได้ยินเวลาไม่ได้เห็นได้ยินอะไรมันก็คิดเรื่องที่มีอยู่ในอกในใจของมันไปคิดอยู่ได้ตลอดเวลาบางครั้ ง, งคิดจนทั้งเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดอาการไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาความคิดนี่แหละเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ ต่อความสงบต่อความสุขของจิตใจถ้าเราอยากจะให้ใจมีความสงบมีความสุขเราต้องมาหยุดความคิดให้ได้เมื่อความคิดมันคิดทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องเชิเจริญสติทั้งวันทั้งคืนมันถึงจะหยุดความคิดได้เหมือนกับรถยนต์ที่มันวิ่งถ้ามันยังวิ่งอยู่เราก็ต้องเหยียบเบรคถ้าเราต้องการให้มันหยุดถ้าเราปล่อยเบรคเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งออกมาไปเรื่อยๆ ถ้าเราเหยียบเบรกมันก็จะเริ่มชะลอลงช้าลงแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดได้ถ้าเราไม่ปล่อยเบรกเหยียบมันไปจนกว่ารถจะหยุดถ้ารถหยุดแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้สติก็เหมือนกันถ้าเราจเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆตราบใดที่มันยังคิดอยู่เราก็อยากหยุดพุดโทโธเอาตั้งแต่ลีตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป มันจะคิดเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปต่างความคิดให้เรามาตามพุทธโธกันให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธหรืวเราอยากจะสวดมนต์ไปก็สวดอาลัหังสัมมาใบกระละสวากขาโตสปุปติปันโนไปสวดไปเรื่อยๆอย่ากให้ใจอยู่เฉยๆยิ่งอยู่เฉยๆความคิดมันยิ่งคิดใหญ่ถ้าเราสวดไปเราบริกรรมพุทธโธไปความคิดมันก็จะลดน้อยลงไปตามลําดับ แล้วพอเรามีเวลาที่เรานั่งจะนั่งได้แล้วก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อไปรู้สวดมนต์ต่อไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะดูลมหายใจได้เราก็หยุดสวดก็ได้แล้วลองมาดูลมหายใจต่อดูที่ปลายจมูก ล, ลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับลมเราไม่ได้มานั่งควบคุมบังคับลมเราเพียงแต่มาเฝ้าดูลมเฉย อาศัยการเข้าดูลมเพื่อเป็นอุบายให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจเราต้องดูอะไรเราก็ต้องดูแบบแบบรู้ว่าเรากำลังดูอะไรไม่ใช่ดูแบบเหม่ อ, อยลอยแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดถ้าเราดูแบบตั้งใจดูดูตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าถ้าดูแบบตั้งใจอย่างนี้มันก็จะไปคิดเรื่องอื่เรื่องต่างๆไม่ได้ ถ้ามันไม่คิดถึงเรื่องต่างๆแล้วใจมันก็จะค่อยๆสงบลงความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วพอถึงถึงจุดหนึ่งมันก็จะหยุดคิดมันก็จะเหมือนกับรถที่มันมันมันเดรคมันหยุดเนี่ยพอมันหยุดมันก็รู้สึกเบาสบายโล่งว่างเย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงจิตวิเคราะห์ธรรม เราต้องไปถึงให้จุดนี้ให้ให้ถึงจุดนี้ให้ได้เพราะถ้าเราได้ความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากการเสพกามไม่ต้องอาศัยความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เข้าสมาธิไปหรือถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลามันเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจ ตอนให้เราเห็นว่ารูปเสียงกิรลรนนี่มันเป็นเหมือนน้ํามันที่เราจะไปเทใส่กองไฟมันไม่ดับ ไ, ไม่ทําให้ไฟดับอย่างถาวรมันทําให้ไฟดับแบบชั่วคราวแล้ว เ, เดี๋ยวพอน้ํามันนั้นร้อนขึ้นมาไฟก็จะลุกโหมขึ้นมาใหญ่กว่าเดิม เ, เวลาที่เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกิรลด้นตอนที่เราได้มันได้มันใหม่ๆนี้เรารู้สึกมีความสุข แต่พอมันหมดไปมันจากเราไปเราไม่สามารถไปเสพรูปเสียงกลิ่นรถได้เวลานั้นความทุกข์ก็จะหหมขนําจิตใจเราเมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลานคนเสพยานี้เวลาได้เสพยาก็มีความสุขเวลาไม่มีเงินไปซื้อยามาเสพตอนนั้นเวลานั้นจะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมา ให้มองนี้ด้วยปัญญาคือมองเห็นว่าการมาสุขรูปเสียงนิ่จลดผลทพะนี้มันเป็นอนิจจามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมให้ให้มันมาให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้วันดีคืนดีมันก็หายไปหมดไปจากเราไปเวลาไม่มีมาแล้วใจเราก็จะเศร้าใจเราก็จะเหงาใจเราก็จะทุกข์ทรมาน ให้มองเห็นผลที่จะตามมาจากการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราเห็นปัญญาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นไจรักเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงได้มันจะต้องมีวันหมดเวลามันหมดไปมันก็จะทําทให้เราอ้างว้างป่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าสร้อยเหงญญา ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นโรกเสียงกลิบลดไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสรินมันเป็นความทุกข์ทุกนั้นเน่ยเพราะมันไม่เป็นของไม่เที่ยมเราก็จะได้ไม่กล้าไปเสพไม่อยากจะไปเสพเพราะเราไม่ได้ต้องการจะไปหาความทุกข์กันที่เราไปเสพมีเพราะเราอยากจะไปหาความสุขกันแต่มันเป็นความสุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมด พอ เ, เวลามันหมดแล้วทีนี้ความเศร้าความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แทนที่นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเรามีความสุขจากการที่เราอยู่ในสมาธิแล้วเราไม่ต้องพึ่งความสุขจากรูปเสียงกินลดแล้วแต่ความอยากที่อยากจะเสพหาความสุขจากรูปเสียงกินลดนี้มันยังไม่หมดไปด้วยกําลังของสติของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมา สติไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้คอยควบคุมอยู่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้เวลาไปเห็นรูปเสียงกิน่นรถมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้เพ<ม>ราะว่าสติหรือสมาธินี้เพียงแต่ทับกดความอยากไว้ชั่วคราวเหงเป็นเหมือนหินทับหญ้า<ม>เวลาเราหินไม่ทับหญ้านี่หญ้ามันจะงอกออกมาไม่ได้จเจริญ ง, งอกงามไม่ได้แต่พอเรายกขินออกจากหญ้าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเดียว พอมันได้น้ำได้อะไรมันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ตายชั้นใดรากของกิเลสตัณหารากของความอยากจะเสพเลือดเสียงกลิ่นรสก็คือความหลงนี้มันไม่ได้ตายไปกับการเข้าสมาธิพออยากสมาธิความหลงมันก็ยังคิดว่าต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงลกลิ่นรสอยู่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้อยู่เพราะเคยเคยเสพแล้วได้ความสุขแต่มันจะจําได้แต่ความสุข เวลาที่มันเจอความทุกข์นี้มันไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรมันไม่รู้ว่าเพราะที่มันทุกข์เพราะเพราะว่ามันสูญเสียสิ่งที่มันมันได้มาไปสูญเสียความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดไปมันก็เลยทำให้มันทุกข์อันนี้มันไม่รู้มันก็พอเกิดความทุกข์เกิดความสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปมันก็ไปหาใหม่พยายามไปหาใหม่แฟนคนนี้จากไปก็ไปหาแฟนใหม่ต่อให้หาหาไปกี่คนมันก็จะไม่หยุดหาใหม่มันจะไม่เข็ด มันก็คิดว่าต้องมีความสุขกับแฟนแฟนคนนี้ไม่อยู่กับเราเราก็ต้องไปหาแฟนใหม่โดยไม่คิดว่าแฟนใหม่ก็จะเป็นเหมือนแฟนเก่าเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีไม่คิดอย่างนี้เราต้องใช้ปัญญาต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวสิ่งที่ให้ความสุขกเรานี้เป็นของชั่วคราวมันไม่ได้ให้ความสุขแบบถาวรเวลามันหมดไปหรือว่ามันจากเราไป มันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะมันเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเราก็จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้หมดพอเราตัดความอยากได้หมดทีนี้ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์กิดต่อไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขเพราะใจเรามีมีความสงบความสงบที่เกิดจากการ ตัดความอยากอันนี้มันเป็นความสงบที่ถาวรกว่าความสงบที่เกิดจากสมาธิความสงบจากสมาธินี้เป็นการกดความอยากไว้ชั่วคราวหยุดความอยากแบบชั่วคราวแต่การใช้ปัญญาหยุดความอยากแบบนี้จะหยุดความอยากแบบถาวรพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบเหมือนกับเข้าสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้ามีปัญญาคอยระงับดับความอยากต่างๆอยู่ จนความอยากที่มีอยู่ในใจหาห้ไปหมดกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภะตัณหาความอยากเสกกรรมความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนะนี่พอมันถูกกำจัดไปหมดไปจากใจใจก็จะสงบไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับเข้าสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิ อ, อยู่อยู่ในสมาธิอยู่นอกสมาธิก็เหมือนกันนี่แหลคือการดับความทุกข์ต้องดับด้วยทางสงบ ด้วยการปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาที่เราจะต้องมาทํากันต้องเริ่มต้นจากการมีวันพระปฏิบัติกันอย่างจริงจังทั้งหนึ่งวันมันถึงจะเห็นผลถึงแม้จะเห็นไม่มากมันก็จะรู้สึกว่าจะได้ผลดีกว่าการที่เราปฏิบัติวันนันิวันนันหน่อยนั่งสมาธิวันละห้านาทีสิบนาทีนี่มันเหมือนกับต้นไม้ได้น้ําค้างเนี่ยมันได้มันไม่ได้อะไรมากมัเหมือนกับต้นไม้ที่ได้น้ําฝน เราต้องมาสร้างธรรมะที่เป็นน้ําฝนให้มันตกหนักสักวันหนึ่งอย่างวันนี้ให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราแล้วเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วจะทําให้เราอยากจะมีน้ําฝนน้ําแห่งธรรมนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเพิ่มการปฏิบัติของเราให้มีมากขึ้นไปจนในที่สุดเราก็จะไปบวชแบบท้าววอนเลยไปบวชทั้งกายบวชทั้งใจเลย พเราได้บวชทั้งกายบวชทั้งใจแล้วได้ปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเิวาหาปูราปริโปลเลมติสาครลัง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 มาเตภวะตะวันตะรายุสุขีทีขาโุโผวะอภิวาทนศีลิสนิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ถ้าไม่ได้ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กรับนมัดการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนักกุติทางเฟซบุ๊พระอาจารย์ห้า้อยเก้าสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะ y o u t u สามร้อยสามท่านทาง YouTube Dr. V c h ร n ว e ช9นลเก้าสิบท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านครับเฮาสิบเอ็ดท่านนักกุติเก้าสิบท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านเจ้าค่ะมีคำถามไหมมีคำถามจาก YouTube เจ้าค่ะ จากคุณดีซ h ช n n น l น้อมกราบนะมัสการค่ะกราบเรียนถามว่าการเดินจงกรมเราเดินรอบบ้านเป็นทางสี่เหลี่ยมได้ไหมคะหรือว่าเดินเป็นทางตรงเท่านั้นกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าสถานที่อำนวยแบบไหนถ้าเดินแบบทางตรงได้ก็เดินแบบทางตรงไปตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์แต่ถ้าเดินทางตรงไม่ได้จะเดินรอบบ้านก็ได้ เดินเหมือนกาเราเดินเวียนเทียนเวียนเทียนแล้วก็เดินรอบโบสถ์รอบเจดีย์อันนี้ก็เป็นการเดินจงกรมเหมือนกันเห็เราเวียนเทียนแล้วก็เดินไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปเะงั้นการเดินเดินจงกรมจริงๆไม่มีไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็สามารถถือเป็นการเดินเจงกรมได้ถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจเราอย่าเดียว จากนี้ไปเดินไปขึ้นรยก็พุทโธพุทโธไปนี่ก็ถือว่าเดินจงกรมนะน่องาการเดินจงกรมนี่ถือว่าเป็นการเดินที่มีสติความหมายก็อย่างนี้ถ้าเราเดินแล้วมีสติก็ถือว่าเราเดินจงกรมนจะเดินทางโคมทางทางตรงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดีก็เดินทางตรงทําทางเดินจงกรมอย่างดีแต่เดินแบบไม่มีสติ อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเดินจงกรมเดินแบบใจลอยอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเดินจงกรมการเดินจงกรมนี้ด้วยการทําอะไรก็ดีนี้เป็นการฝึกสติต้องมีสติถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติพระอาจารย์สอนให้เรามีสติตลอดเวลาการยะคตาสติให้รู้ให้รู้ทุกเรียาบการเคลื่อนไหวของร่างกายกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกําลังนั่งก็รู้กําลังนัง่งกําลังยืน กำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรให้มีสติให้รู้อยู่ทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหว <het> มันให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บองทีแปรงฟันไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่มีสติถ้าแปรงฟันอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรียกว่ามีสติอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวอยู่กับการฟอกสบู่อย่างเดียวอยู่กับการอาบน้ำอย่างเดียว จะเรียกว่าเป็นการเจริญสติกายกะกตาสติถ้าสามารถทำแบบนี้ได้การนั่งสมาธิใจจะไม่ลอยใจจะนิ่งใจจะอยู่กับลมอยู่กับพุโทโธได้อย่างนั้อย่างต่อเ น, นื่องก็จะทำให้ใจหยุดคิดได้ในที่สุดมีคำถามจากทางด r V. c h a n ร์วีชาแลสักค่ะจากคุณมูสกายแอนทรีถามเข้ามาว่าการนั่งสมาธิ แบบลืมตาได้ไหมเจ้าคะได้แต่ไม่ได้ผลดีเพราะการนั่งสมาธิเราต้องการดึงใจเข้าข้างในดึงออกจากร่างกายงั้นถ้ายังติดอยู่ที่ตาอยู่มันก็เข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปในใจไม่ได้ในการนั่งสมาธิต้องการให้ใจเข้าข้างในใจถึงจะสงบถ้าใจอยู่กับตาอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็คิดเห็นรูปก็คิดไปต่างๆนาน า, า, า, ามันก็จะไม่มีวันสงบได้ เน้นต้องปิดทวานทั้ง5้าก่อนจะนั่งสมาธิได้ต้องสำรวมอินทรีย์ก่อนสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายก็คือไม่ส่งให้ให้ตาหูจมูกนิ้นกายไปรัรับลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนอกจากมันเข้ามาเองถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นเสียงนกเสียงอะไรมัน้องถึงแม้มันจะได้ยินเสียงแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวเราก็ลืมมันได้ คำถามจากเ Facebook เจ้าค่ะจากคุณนัทนานลูกสาวหนูเป็นเด็กพิการทางสายตาค่ะตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะหนูอยากเอาธรรมะช่วยรักษาเขาค่ะขอพระเจ้าเมตตาสอนเขาหน่อยเจ้าค่ะให้เขาฝึกสติให้เขาสวดมนต์อ่านสวดมนต์สวดบ่อยสอๆสวดเยอะๆมนต์หลายๆรอบทำใจให้สงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะเบาบางลงไป คำถามจากคุณปอ99เจ้าค่ะกรับในมัสการพระอาจารย์การเจริญสติแบบต่อเนื่องแต่มีการหูอื้อถือว่าปกติไหมคะมีอะไรเนาะหูอื้อเจ้าค่ะหูอื้อเจ้าค่ะไม่เป็นไรแหลรกหูื้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสติดีสิจะได้ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องเสียงที่เข้ามาทางทางหูเราหูหนวกตาบอดได้ดีกว่าจะได้ไม่มีช่องให้กิเลสช่งให้มันออกไปคิด มีคำถามจากท่านเฟซบุ๊กค่ะจากคุณกาลิโกโอโยธยากราบพระอาจารย์ครับการเจริญอสุภะมีวิธีแบบไหนบ้างครับแล้วควรเริ่มจากไหนกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเริ่มต้นจากการเข้าหางการสาสิบสองก่อนเป็นภาษาไทยเราจะได้เข้าใจความมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยื่อในกระดูม้ามหัวใจปอดตับท้องผิกไตปอด ใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่ท่องชื่อไว้ก่อนพอเราทำจำได้ทั้งสามสองอาการแล้วก็มานึกถึงภาพของมันผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไงบอดเป็นยังไงอันนี้เราจะต้องไปเปิดหนังสือสุภาพดูก็ได้มีภาพอสุภาพให้ดูเราจะได้เห็นอาการต่างๆเหล่านี้ พอเราเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วเราก็จะเห็นว่าคนเราไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลยเพียงแต่มีมีหนังหนังสวยๆเหมือนกระเป๋าหนังสวยๆใส่ขยะดีๆนี่พอเห็นกระเป๋าสวยขอเปิดดูข้างในพังละเลยมีแต่มีแต่ขยะอยู่ในกระเป๋าเราไม่ได้ร่างกายเราเป็นเหมือนกระเป๋าหนังมีของเก็บไว้ในกระเป๋าหนังมีลำไส้มีปอดมีไตมีหัวใจ แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็คิดว่าร่างกายนี้สวยงามเหมือนกระเป๋าที่สวยงามแต่พอมองเข้าไปข้างในก็กระเป๋านี้มีแต่ขยะไม่อยากจะไม่อยากจะได้นะต้องต้องมองอย่างนี้ตอนต้นลองท่องชื่อมันก่อนการที่สองการจำได้แล้วเมื่อจำได้แล้วคือมันนึกภาพก็จะพาภาพที่อยู่ใต้ผิวหนังเข้าไปเนื้อเป็นยังไงเอ็นเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไง แล้วคอยเลิกอยู่เรื่อย ๆ, ๆให้มันจดให้มัน จ, ในจบให้ได้ต่อไปหลับตาเนื้อลืมตาก็เวลามองเห็นร่างกายใครก็จะเห็นทะลุเข้าไปข้างในเลยเป็นเหมือนมีเอ็กซ์เรย์ตาเอ็กซเรย์คำถามต่อไปจากคุณพิมพัฒน์รพรสุกเจ้าค่ะกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้จองเวนจองกรรมกับใครแล้วแต่มีคนจองเวนจองกรรมกับเราแล้วเราจะต้องเกิดมาเจอกับเขาใหมคะ ก็ไม่แน่บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอถ้าเจอถ้าเขายังจองเวรอยู่เขาก็จะมาจองเวรเราเราก็ต้องยอมยอมให้เขาทําร้ายเราไปเพราะเราเคยไปทำร้ายเขาก่อนเืคยไปทําให้เขาโกรธเราก่อนเมื่อเขาได้ทำร้ายเราจนพอใจแล้วเขาก็จะหมดเวรหมดกรรมกับเราไปคําถามต่อไปจากคุณ จริญญาพรประเสริฐผลเจ้าค่ะกราบสาทุเจ้าค่ะพระชาระหว่างที่ฟังธรรมพระจาระเทศนาอยูนาา่นั่งสมาธิฟังไปด้วยได้ไหมคะโดยไม่ได้พุทโธค่ะได้เวลานั่งฟังธรรมก็ใช้เสียงธรรมเป็นพุทโธแทนไม่ต้องใช้พุทโธฟังไปแล้วก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆ อ, อย่าใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็จะเกิดปัญญา ้าาไมม่เเขใจจกก็ะกิดสคำถามต่อไปจากคนวัสนาจันทวันโนชัยทาน้อมกราบขอากาศเรียนถามครับกระผมคุ้นคิดหลายๆรอบว่ามนุษย์เรานี้ได้มีความรู้ความดีในจิตในใจนี้มาจากพระพุทธเจ้าทรงประทานสอนมาหลายต่อหลายภพชาติเพราะมนุษย์นี้เดิมทีน่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มี ขนบทำขนมทำเนียมประเพณีอะไรกระผมคิดแบบนี้แล้วกระผมลงใจน้อมกาบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แบบกราบแบบราบเลยครับความคิดนี้ดีหรือเสียขอบพระชัย์เมตตาสั่งสอนกระผมด้วยครับน้อมกับบูชาสาธุครับก็ดีแหละเพราะพระพุทธเจ้ามีแต่สอนเรื่องดีๆเนความดีส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่ก็เกิดจากการได้พบปะกับ พระพุทธเจ้าหรือพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าและการที่จะตอบแทนทกุณของของพระพุทธเจ้าก็คือให้เราปฏิบัติบูชาให้เอาคาสอนที่ดีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามคำถามของคุณบันนี่เจเจกลับเข้ามาใหม่แล้วเจ้าค่ะเป็นวัยรุ่นนอนไม่ค่อยหลับเพิ่งเริ่มฝึกสมาธิค่ะสมาธิสั้นด้วยค่ะ ถ้าต้องการให้ใจสงบมากต้องใช้เวลาฝึกนานไหมคะต้องใช้สติต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธินั่งไม่ได้ไม่ได้ผลนั่งไม่ได้นานถ้าอยากจะนั่งได้ผลได้นั่งได้นานต้องฝึกสติสติก็คือท่องพุโทโธไปเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับทั้งวันทั้งคืนพยายามให้มีพุโทโธพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดอิสระเหมือนเมื่อก่อนนี้ต้องคอยควบคุมความคิดให้มันคิดแต่เรื่องที่จําเป็น เรื่องที่มันจาเป็นอย่าให้มันคิดให้มันคิดพูดโธแทนถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิเราจะนั่งได้นานและจะสงบคำถามต่อไปจากคุณจิรพรเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเดินจงกรมหลายครั้งจะมีความรู้สึกหวงเวงเหมือนคนที่เดินกับตัวเองมันแยกกันรู้สึกกลัวและอืดอัทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดแบบนี้คะไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกอะไรให้อยู่กับพุโทโธไป คำถามจากคุณจิรารัตน์เจ้าค่ะกราบนวัชการราชยา์โยมเคยปฏิบัติภาวนาเคยจิตสงบและรู้สึกว่าตัวหายไปเมื่อนานมาแล้วเคยรู้สึกเย็นใจมีความเย็นผูผุขึ้นหรือรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากปัจจุบันไม่เกิดขึ้นการภาวนาของโยมถอยหลังใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกบางทีมันเป็นช่วงที่มันสติมันลงตัวพอดีมัน่ายเกิดความสงบขึ้นมา แล้วเราก็ต้องพยายามมาฝึกสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นเวลานั่งก็อย่าไปคิดถึงผลที่เราเคยได้ในในอดีตถ้าไปคิดแล้วมันจะไม่ได้ผลในปัจจุบันผลในปัจจุบันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติหยุดความคิดให้มีอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะว่างจะสงบได้ทํานามหมดแล้วเจ้ า, าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหม ในขยับตัวแล้วแสดงว่าอยากจะลุกแล้วเลยโอเคเราก็อยากจะลุกเหมือนกัน <laughs> อันนี้อันเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ <S <S ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้วาวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ